ลำดับที่หนึ่งคติธรรมแผ่นที่44โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโควัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานี MP สแผ่นที่44ให้คติธรรมหัวข้อว่าบุคคลหวานพืชเช่นใดยอมได้ผลเช่นนั้นอันนี้คือท่านเน้น ในเรื่องกรรมคือการกระทำถ้าพวกเราทำความชั่วพวกเราจะได้ดีได้ดีได้อย่างไรถ้าว่าพวกเราทำความความดีทำกรรมดีจะชั่วได้อย่างไรเพราะนั้นในคติธรรมแผ่นที่44นี้ให้คติธรรมหัวข้อว่าหวานพืชคือการกระทำ ถ้าหาว่าหว่านพืชเหมือนกับเราหว่านพืชหว่านเมล็ดข้าวเราต้องได้รับเมล็ดข้าวถ้าเราหว่านพืชเช่นใดก็ได้รับผลเช่นนั้นในเมื่อเราหว่านพืชคือกรรมดีเราก็จะต้องได้รับผลดีถ้าหาว่าพวกเราทำกรรมชั่วพวกเราก็จะได้รับกรรมชั่วเป็นผลตามมา เพราะนั้นให้พวกเราเชื่อในกรรมเชื่อในผลของกรรมกรรมคือการกระทําในหลักของพระพุทธศาสนาถ้าว่าผู้ใดท่านผู้ใดก็ตามถ้าว่าทำสิ่งที่คิดชั่วทําชั่วพูดชั่วและจะหาความเจริญไม่ได้มีแต่ความหายยนะจะเข้ามาสู่จิตเข้าสู่ใจเข้าสู่การกระทําของชุมชนในกลุ่มนั้นๆ แต่พวกท่านทั้งหลายคิดว่าทำกรรมชั่วได้เงินได้ทองมั่งมีสีสุขพวกท่านทั้งหลายคิดในขณะที่ทำกรรมชั่วแต่เอาเถอะอีกสักวันหนึ่งกรรมชั่วเหล่านั้นกรรมชั่วที่เราทำไปแล้วนะมันจะย้อนกลับไปหาพวกท่านทั้งหลายเมื่อพวกท่านทั้งหลายทำกรรมสิ่งไหนไว้ให้เก็บแกเขาเราใด กรรมชั่วที่ตัวเองทำนั่นแหละมันจะย้อนกลับมาหาตัวเองพวกท่านทั้งหลายคอยดูก็แล้วกันแล้วความสุขจะเกิดไหมในเมื่อเราไปทำทุกข์ให้แก่ท่านทุกข์นั้นก็จะต้องมาหาตัวเองเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านพวกเราหวานพืชลงเช่นใดพวกเราก็จะได้รับผลเช่นนั้นเราทำกรรมชั่วเราก็จะได้รับกรรมชั่วถ้าเราทากรรมดีเราก็จะได้รับกรำกำรม ด, รดีตอบสนอง เหมือนกับเราจับน้ำแข็งความเย็นก็จะเข้ามาสู่เราถ้าเราจับไฟไวก็จะไหม้มือของเราเพราะนั้นหลักธรรมคำสอนที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นไว้เสมอว่าอากตังลุกตังเฉยโยปัตซาตปติดุกตังความชั่วอย่าทำเสลยดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อทาไปแล้วกรรมชั่วนั้นจะให้ผลตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเมื่อกำชั่วให้ผล ขณะที่ทำกรรมชั่วกรรมชั่วยังไม่ให้ผลตัวเองก็พูดคุยโม้ได้ว่าเห็นไหมเ่ข้าพเจ้ากินสเต็กนินกินสารหนูเข้าไปเนี่ยแล้วไม่เห็นมันจะมีอะไรเพราะเหตุไรเพราะสารพิษยังไม่ให้ผลแต่เมื่อไรสารพิษให้ผลขึ้นมาเนีเขาก็จัตตาลีตะเลือ ก, กระเสือกกระสนเป็นทุกข์ทรมานเพราะ ยาพิษให้ผลนี้ก็เหมือนกันในขณะที่เขาทําำคำชั่วกคำชั่วยังไม่ให้ผลเขาก็พูดคุยได้แต่เมื่อไรกคำชั่วให้ผลเขาเข้าคุกเข้าตรางขายหน้าตัวเองเมื่อนั้นละ่ะเห็นไหมนักโทษคนใดเงยหน้าเชิดหน้าชูตาเวลาเขาจับได้พวกเราเคยเห็นไหมเห็นต่ก้มหน้า <c oughs> ก้มหน้าปิดหูปิดตาอีกต่างหากไม่อยากจะให้ใครเห็น หน้าตัวเองนี่แหละกรรมชั่วจะทำซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วตัวเองจะขายหน้าตัวเองตัวเองจะเดือดร้อนตัวเองตัวเองจะเป็นทุกข์ตัวเองเมื่อภายหลังด้วยอํานาจขุนพระศลรัลตน์ไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสูงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองก็ให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุปปกประการเทิด